ทำ ต, ตามใจกิเลสเนี่ยว่าการมาสู่ขัตติกานุโยกบังคับตัวเองเรื่องอัตาตาคิรมาฐานุโยกนั่นอย่างที่พวกเรานักภาวนาเนี่ยในคำปีอัทธกถาเนี่ยเขียนเมื่อปีประมาณพันหกร้อยไปวิเคราะห์ไว้บอกพวกนักปฏิบัติพวกคนรักดีเนี่ยสิ่งที่ทำนะ่ะส่วนใหญ่ชอบบังคับตัวเอง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 อำมารุมคือสิ่งที่รู้ได้ใจถ้าฟุ้งไปน่าใจไม่ตั้งมั่นใจไหลาตามไปในขนาดนั้นจะรู้กลายรู้ใจไม่ได้นี่ตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็คือเพียงไกลเพียงใจเพียงมีหลายดิกลีเริ่มตั้งแต่ว่ากำหนดเบิ่งต้นก็กำหนดประ ét sul ดแยกไม่ควร narinski ดังมิมา้านดไม่ไหล ikit กำหนดอ่อนมือ มีกระทั่งกำหนดจิตได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมกำหนดจิตอย่างโ น, น้นกำหนดจิตอย่างนี้กำหนดว่าวกดกดก็คือข่มไว้ควบคุมไว้บังคับไว้พยายามทำให้อยู่ในอำนาจถ้ามากๆหน่อยก็เป็นการเพ่งเ<ม>บื้องต้นก็แค่กำหนดถัดจากนั้นก็ประคองประคองได้ที่ก็เพ่งเลย<ม><ม>แต่เพ่งแล้วแน่นปึกป๊กๆขึ้น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 เข้มข้นต่างๆถ้าเมื่อไหร่ไปเพ่งไว้กำหนดไว้ควบคุมไว้ประคองไว้กายก็จะนิ่งใจก็จะนิ่งกายนิ่งใจนิ่งไม่แสดงไตรลักษ์ให้ดูเมื่อไม่แสดงไตรลักษ์ก็ทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะวิปัสสนาเน้นต้องเห็นความเป็นไตรลักษ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่แค่เห็นกายเห็นใจเพราะเราอยากสำคัญผิดนะ รุ่นหลังๆที่เรียนกรรมฐานมันเพี้ยนเพี้ยนเยอะเลยที่เรียนกันอยัางคิดว่าถ้าดูท้องไปเรืว่อยๆไม่ลืมท้องเนี่ยทำ ม, มิปั ส, สนาการที่เห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามนั้นยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นความเป็นไตร ล, ลักษณ์ของกายของใจถึงจะขึ้นมิปั ส, สนาจริงๆอย่างถ้าเพ่งมือนะเพ่งไปด้วยมือไหวรู้ตัวตลอดเลยเพ่งเพ่งเพ่งจ้องหลวงพ่อทำหน้าให้โอเวอร์แอคชั่นนิดนึง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 ขั้นแรกก็แค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจก่อนถ้าเมื่อไรเราใจลอยนะเราจะไม่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจกายกับใจหายไปเวลาใจลอยหลงไปเนี่ยกายกับใจหายไปเงี้ยเบื้องต้นนะเราแค่คอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งนะแค่รู้สึกเนี่ยแค่รู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอันเนี้ยจะทำให้ไม่เผลอไปไม่ฟุ้งไปที่อื่นนะจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัว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 ร่างกายมันหายใจออกร่างกายหายใจเข้่าก็เรา liability เพราะก็คร εί แล้วก็รู้ลงไปเลยเนตัวที่หายใจเข้่าไม่ใช่ตัวเรานะ่ะร่างกายมันเป็นคนหายใจไม่ใช่เราหายใจมันปวดมันเมื่อยเมื่อยก็เห็นนะความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แซกมันเปลี่ยนเองวันเมื่อยกับการคร nä 2วันจรายษย์ chiliniz ra 1ไว้การ icion ล contracting advocate คร on lg Deswegen วันเมื่อยกจะ ความปวดความเมื่อยเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาชั่วครั้งชั่วคราวผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เ, นเกิดแล้วก็ดับเนี่ยดูเป็นใจรลักเหมือนกันจิตใจที่เป็นกุศลเป็นอากุศลนะก็เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนไปเรื่อยๆตามรู้ตามดูเราก็เห็นมีความเปลี่ยนแปลงไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยเต็มไปด้ยกวยความไม่เที่ยงดูจิตนะจะเห็นความไม่เที่ยงง่าย ดูกลายจะเห็นทุกง่ายดูดูกลายดูไม่เที่ยงเนี่ยดูยากนะเพราะรูปนั้นอายุยืนกว่านา้ำงั้นจะดูให้รูปเห็นรูปเกิดดับหนึ่งรูปเนี่ยใช้จิตเกิดดับไปจำนวนมากแต่ถ้าเราดูจิตเนี่ยเราจะเห็นเกิดดับตลอดเวลางั้นดูจิตเนี่ยจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายงั้นเราดูจิตใจไม่เที่ยงอย่างเดียวนะดูไปด้วยเดี๋ยววันหนึ่งปัญญากเกิดอีก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 ถ้าทำไม่ผิดสองอย่างเราก็สามารถจะเจริญวิปัสสนานได้ไม่เผลอไปเราก็ไม่ไปเพ่งก็ทั้งเวลาภาวนามาช่วงหนึ่งนะมันก็กลับมาปัญหาเดิมอีกเผลอกับเพ่งผิดก็ผิดเหมือนเดิมเองแต่ว่ามันประนีตขึ้นเช่นเผลออะไรเวลาเราภาวนานเราเห็นสภาวะเกิดดับเห็นอารมณ์เกิดดับไปช่วงหนึ่งนะใจมันเคลื่อนใจมันเคลื่อนไปดูความเกิดดับเนี่ยมันถล่มลงไปดู ตัวนี้เผลอแล้วถ้าหลัมลงไปดูแต่ถ้าสนใจมากมากแล้วกลายเป็นเพ่งแต่ถ้าแค่เผลอๆดูๆแล้วลืมเนืล้อ ล, ลืมตัวนะหลงไปพอหลงไปดูสภาวะนะั้นจิตไม่อยู่ในฐา น, นจิตเคลื่อนส่วนมากมาอยู่ข้างหน้าเพราะเราเคยชินที่จะดูทุกอย่างด้วยลูกตาเราไม่เคยชินที่จะดูด้านหลังจิตใจนี้ก็เคยชินที่จะไปดูข้างหน้าพอดูๆแล้วค่อยๆชะงักไปเลยจิตเหมือนนกนะอยู่ในกลุ่ม ชงโง่หัวออกมาจากกรงนะตัวยังอยู่ข้างในแต่หัวไปค้างไว้เนาะ、mm. เวลาจิตของเราส่งออกไปมันไม่ส่งในเกาะอยู่ในความว่างหลายคนภาวนาแล้วไปติดความว่างไปติดความว่างก็เพราะหลงไปนั่นเอง、mm. พอเพราะเผลอไปหลงไปไปติดความว่างก็ลืมกายลืมใจ、mm. ไปติดความว่างก็เป็นการมาสู่ขาริการุโยกก็ผ、mm. ิดเหมือนกับอ่าน、mm. เรื่องเบื้องต้นนั่นเองเพียงแต่ว่ามันประนีตกว่า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 ติดเป็นปีๆนั้นยังน้อยไปความจริงเขาติดกันเป็นหมื่นกลับเลยติดตรงเนี้ยติดกันเป็นหมื่นหมื่นกลับเพราะงั้นเราไม่ใช่ภาวนาเราก็ไปติดอยู่ในความว่างใจไหลเออกไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวอีกพวกหนึ่งนะก็มาเพ่งแต่เพ่งประนีตไม่เพ่งหยาบับหยับแบบบังคับไว้กำหนดไว้ประคองไว้ไม่เป็นอย่างนั้นละเพ่งประนีตก็คือถล่มเข้าไปรู้พวกหนึ่งนะหลงออกไป หลงโลกไปลืมกายลืมใจนั่นเหลือแต่ว่างพวกหนึ่งถล่มเข้าไปดูแล้วไม่เลิกนะถล่มลึกๆ ล, ล, ลงไปเห็นสภาวะเกิดดับแล้วถล่มตามลงไปเรียกว่าตามไปดูเมื่อก่อนโทรทัศน์มีรายการตามไปดูเราอย่าทำอย่างนั้นนะเราแค่ตามรู้เราอย่าตามไปดูไม่มีคำว่าไปไม่มีไปไม่มีมาถ้าไปเราก็หลงเรียบร้อยแล้วถล่มลงไปจ้องหลวงพ่อก็เคยทำผิดทั้งสองอย่าง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 กิอลธิ์โ不用 espero เราไปดูนกิอลธิ์โหดเลยแฮมที่กิอลธิ์เหร ứ Ses อีกขึ้นมาแล้วสลาให้ตัวไปนะกิอลธิ์ ép ก็ sigit ลึกรึงไปเขอไปอยู่ใต้จิตสำนึกนะยิ่งพ aest� hes SAY เช็บ quite these Yangtics Getties เป็นไปเพ Е ้งใส่จิตกิอลธิ์유� richtig tungūrons recogn вот ถ้า tradum Short to look across ลึกรึงไปกิล beige จัดจริง forefront andöstesque It looks closer มันนรีลองไปองใจไวเลย่จะตามมนใหถงในตล citiz it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 орм Toussaint t minutes นีดน่ดน้อยน้อยไปครุกเมื่ออู่ข้างใ น, นะตร lawsuit วัลหนึ่งบูงวาสの arenas you know เจอหลวงปูสิมนะคะหลวงปูสิม ussen ค่ะท่านค SAN ์กรุบ า, ารยันอัศจารย์성이อถเป็นอะไรไหมก็เป็นอะไรไม่ต้องถามหรอกพวกถาม osos soort ก็ไม่ค่อยตอบหรอกเล่นของท่านเห็นหน้าท่านก็กวักมือเรียกพูลยผ�ู้พูลเรียก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 ฉลองสุกนี่ก็เป็นทุกข์นะนี่คิดช่วยมันด้วยเพื่อจะเข้าข้างตัวเองว่ายังภาวนาถูกอยู่เนี่ยสุกก็เป็นทุกข์เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งคงเป็นทุกข์เข้าข้างตัวเองซะสุดๆเลยก็จริงจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดไม่เห็นทุกข์หรอกจิตไม่ถึงฐานจิตเคลื่อนออกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยจิตไปอยู่ในว่างเนี่ยเป็นปีเลยนจนกระทั่งไปหาอาจารย์มหาบัวไปกับแม่ชีเนี่ยตอนนั้นยังไม่บวชนะไม่ใช่พระครวญแม่ชีไปนะ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 ใจไม่ตั้งมั่นใจไม่ถึงฐานนี่เองพอหายใจเข้าหายใจออกสักพักหนึ่งนะจิตรวมเข้ามาโอ้พอมันส่งออกไปดูว่างแล้วรู้เลยว่ามันเคลื่อนไปดูนะเราหลงอยู่ในพบละเอียดที่สร้างขึ้นจิตไปสร้างพบละเอียดขึ้นมาแล้วเป็นพบละเอียดมันเป็นพบที่มีความสุขจิตไปติดอยู่ในพบที่มีความสุขมีหน้าเรามันผ่านไม่ได้เพราะมันติดอยู่ในพบนจิตมันไม่ตั้งมั่นจริงจิตขาดสัมมาสมาธิ เมื่อจิตขาดสัมมาสมาธิปัญญาจะไม่มีปัญญาเกิดจากสัมมาสมาธินะสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าขาดสมาธิจิตไม่ตั้งมั่นก็ปัญญาไม่มีพอเห็นตรงนี้นะใจตั้งมั่นขึ้นมาก็ภาวนาต่อได้พอดีมาบวชมาบวชก็ใจก็ตั้งดูเดี๋ยวมันก็เคลื่อนไปก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้เคลื่อนแล้วก็รู้ไม่ได้ภาวนาอะไรมากแต่อาศัยเดินจงกรมนะ ก็ตอนก่อนจะบวดเนี่ยไปลาครูบาจจารฆ์องค์第一ท่านอยู่ที่ปรอในปีลาท่านเขาผมจะไปบวดแล้วพร้อมและสอค์แม่ตายไปแล้วพร้อมและชวนพ่อมาอยู่วัดไหมอันนี้ท่านก็ให้กําลังไ pper ้เลยโ Visual <อ> jähr กูต้องที่หร ụ พี่ทำนะที่คุณทำแค่ลวมพลังกนนะให้คุณจบไใบว่อย่าระเดี๋ยวได้มาช่วยกัน เราคือเขิบ ม, มากเลยท่านเฉียดให้จบใบใบอุป萨อธิษฐานเฉียดนะกลับมาวัดเราแล้วมาบวชเสร็จแล้วกลับมาวัดอยู่ที่มังกรนะเดินจงกรมใหญ่เลยเพราะท่านชอบเดินจงกรมเดิมหามรุ่งหามค่ำเลยนะเดินจนถ้าขาเราเป็นเหล็กเนี่ยนะขาเราจะสึกไปเยอะเลยตัวต้องเตี้ยวกว่านี้<嗯>เดินเดินเดินเดินเดินไปหมดเรียกหมดแรงก็ ล, ลงมานั่งหอบแครกแครกนะมีแรงเดินใหม่ ยิ่งเดินเนี่ยจิตยิ่งแย่ลงแย่ลงเว้ยแย่กว่าตอนไม่บวชสิอีกเดินอยู่เดือนครึ่งนะเดินอยู่เดือนครึ่งได้เข้าพรรษามาครึ่งครึ่งพรรษาวันหนึ่งบ่า ย, บายหมดเรี่ยงหมดแรงในบ่ายสองมาเดินจงกรมอยู่ที่ระเบียงต้นไม้ไม่มีตอนนั้นอยู่ในท้องหนาปลูกต้นไม้ไว้นะต้นยังแค่ขาแค่เอวอย่างมากแล้วต้องเดินแล้วจงกรมที่ระเบียง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 นี่จิตของเรากับธรรมชาติที่แวดแล้อมอยู่ไม่ใช่สิ่งเดียวรวดเลยจิตเราหนักธรรมชาติไม่มีน้ำหนักจิตเราหนักเราต้องทำผิดแล้วละ่ะเราทำผิดตรงที่เราพยายามไปเรียนแบบการปฏิบัติของหลวงพ่อปอละอ่อนะเราพยายามไปเรียนแบบท่านโอ้เราไม่ถนัดเดินนะเราไม่ถนัดเดินเอาอย่างท่านไม่สำเร็จแน่เลยมีเก้าอี้พลาสติกอยู่ตวงตัวร้อยกว่าบาทเนี่ยแบบเนี้ย ไปลากออกมาเลยจากในห้องนะมาวางที่ระเบียงไม่เดินแล้ววะมีวะด้วยนะเรามันนักเลงนั่งดูภูเขานั่งดูโน่นดูนี่ไปนะใจที่จงใจปฏิบัติค่อยคลายออกคลายออกคลายดูอยู่ไม่ไม่นานนะใจก็คลายออกคลายออกมาก็ทำสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างจเจริญสติในชีวิตประจำวันบ้าง ฝึกอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนานๆนานก็ลืมสมถะอีกแล้วก็ต้องกลับมาทำใหม่วนเวียนวนเวียนไปนะภาวนาอยู่สองพันสาได้ใจก็เปลี่ยนแปลงสบายมีความสุขกลางวันก็สุขกลางคืนก็สุขนะสุขบ้าบออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> มันก็ไม่ใช่อีกแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ค่อยภาวนาไปเรื่อยๆนะ <c oughs> พอเราภาวนาพอสบาย <c oughs> ครูบาอาจารย์ท่านก็สั่งให้มาอยู่ตรงนี้นะ ให้มาลำบากแต่อยู่น้อนกลำบากเหมือนกนั้นคนกเข้าไปเต็มวัดนะที่สวนโฟ้นเธอนหลังเราตอนหลั ง, ลงรับยาตยมโยมไม่ไหวเม่ SCH รูบาน respective 2คนทุกทุกวันเลยต้องไปปลังซ่วมส่วมเต็มทุกวันเลยอัสจรรย์มากเลยทำไปเต็มทุกวันเลยโยมทำไมมันอื่ลมากขนาดนน <c oughs> ตอนหลังถึงรู้ะ่อน calls รากไม้ทั้งเข้าไปอุ รากต้นไม้มันใช่ใช่หลวงอาเนี่ยแหละชอบปลูกต้นไม้ปลูกไว้จนติดซ่วมเลยนะมันใช่เข้าไปหากินในซ่วมนะต้นนี้งามกว่าเพื่อนเลย <c oughs> ต้นขี้เหล็กงามงามงามสุดๆเลยต้นเนี้ยที่แท้มันใช่รากเข้าไปขวางท่อซ่วมผู้หญิงซะด้วยพอซ่วมผู้หญิงตันเนี่ยนะสิ่งที่คนสงสัยที่สุดคือผ้าอนามัยสา <c oughs> ไปซื้อป้ายมาติดเนี่ยเอาผ้าอนามัยไปใส่นะใส่แล้วก็ยังตันอีกปิดป้ายแล้วก็ยังตัน ถ่ายเจอต้นไม้มันเข้าไปอยู่ดูดซ่วมทุกวันเลยดูดซ่วมนะต้อง ด, ด, ดูดน้ำออกทุกวันทุกวันทุกวั น, นมันรองรับไม่ไหวนะที่จอดรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีดีท่านสั่งให้มาอยู่ทางนี้ก็เลยมาอยู่ที่นี้ขีค้อยใหญ่ขึ้นเลยเพราะพวกเราภาวนานะสิ่งที่ผิดมีสองอันสรุปง่ายๆเผลอกระเพ่งตั้งแต่เบื้องต้นจนเบื้องปลายของการปฏิบัติก็ผิดอยู่ที่เผลอกระเพ่งนี่แหละ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 รอบสติปัญญาค่อยแก่รอบขึ้นรอบขึ้นภาวนาก็ดีขึ้นผ่านเป็นลำดับลำดับไปพอภาวนาไปช่วงหนึ่งนั้นการปฏิบัติละเอียดขึ้นเอ๊ะที่ผิดก็ละเอียดตามไปด้วยเผลอเนี่ยไม่ใช่เผลอไปไหนไกลนะเผลอไม่ใช่เผลอตามกิเลสไม่ได้เผลอไปในกามแต่เผลอไปในรูปและอรูปเช่นเผลอไปเพ่งกายนี่ไปเพ่งเงาเพ่งกับเผลอนี่รวมแล้วเผลอทั้งหมดนะเผลอไปเพ่ง เพ่งกายเนี่ยไปหลงไปในรูปเพ่งความว่างเพ่งจิตนั้นหลงไปในน้ำพอหลงไปแล้วก็เพลินพอเพ่งโดวยเฉพาะเพ่งจิตนะมันมีความสุขเรื่องว่างโล่งว่า ง, ง, างก็เผลอเพลิอนมีราค่าที่ละเอียดเรียกว่าอรูป ป, ปรารถนาถ้าเพ่งกายแล้วพอดีๆประคองไว้พอดีๆมีความสุขจากการเพ่งกายเรียกว่ามีรูปปรารถนาจิตจะเกิดรูปปรารถนาพอใจในการเพ่งรูป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 แบบที่ประีรงควา Calvini นี่ว่าครี่ปราณีช a little tail เหสื anden queen avit such it งัดคลูปาจารィบอกให้แล้วก็พนง่าย a really sofain c n being чтобы พราวาบากะวาันงตองามสังเกตแต่เดิมพพดูยังพพก uma ว Soldier of the madman claiming shejains ก็เหมือน Sewer ว่าเธอใจ ATT people บางเรือง ride events เ, เ, เจอคลูปาจารณ์ทานก็บอกให้ a very saber พลัวกเราณาล่ า, า, าใจโลง่งเช uit ใช้ว่างมี magnificent ปราณีตามสขทำผิดละ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 หรือจริงจังในการปฏิบัติมากเลยดิ้นหล่นขนกว่าดิ้นหล่นขนกวามากนะคือความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านทำยังไงว่าจะบรรลุพระอรหรันต์สักทีใจไม่คิดว่าจะทำยังไงตัวนี้เรียกว่าอุทจจะความฟุ้งซ่านถ้าดูไม่ดีนึกว่าเป็นปัญญานึกว่าจิตเจริญปัญญางั้นกิเลสนะพอละเอียดนะหน้าเหมือนกุศลเปียกเลยดูสดใสซาบซ่ามากนะ เหมือนนางมานรร้ายสวยแล้วก็หลอกคนเก่งอะไรเงี้ยนะดูยากฉะนั้นเราค่อยๆสังเกตนะมันทนสติทนปัญญาเราไม่ได้หรอกค่อยสังเกตไปจิตไปติดในรูปไหมไปยินดีในรูปไหมหรือไปยินดีในอารมูปเช่นความว่างนี่รูปประ ร, ราคาอารมูปประราคาจิตยังดิ้นหล่นค้นคว้าหาทางบรรลุพระอรหันต์ไหมถ้ายังมีความดิ้นหล่นค้นคว้าอยู่ เรียกว่ามีอุททัจจะสังโยชช่วยมีรูประราคะสังโยชช่วย ม, มีอุททัจจะสังโยชช่วยพอระมาต Different than would be ไปท่พนานมาอาจาญของ наклад ธั치 �ины my favorite ท่านมีควรัมศุคธ์หน้าเราไม่ได้อย่างท่านสุดทีนะนี่มีเทียบขึ้นมาท่านดีหน้าเราไม่ดีเนะรู้สึก assim คนทั่วทั่วไปถ้ายังหยาบอยู่เนยจะรู้สึกว่าชั ну ดีคนอื่นแย่นะ แต่พอภาวนาไปเรื่อยๆนีเรอ่ฉันทำไมมันแย่อย่างนี้วะไม่ดีเหมือนท่านสถักทีตัวนี้คือมานะสังโยชน์นะมานะสังโยชน์เป็นตัวมานะถือตัวแล้วก็ใจลึกๆนีกก่มันจะรู้สึกอยู่ตลอดเลยว่าอะไรเนาะที่ยังไม่รู้มีสิ่งบางสิ่งที่ยังไม่รู้อยู่เพราะไม่รู้สิ่งนี้แหละจิตถึงไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ลึกๆมันจะรู้สึกอย่างนี้อยู่ตลอด ภาวนาบางวันนะบางครั้งบางคราวจิตปล่อยวางจิตพอจิตปล่อยวางจิตแลเสร็จแล้วไม่นา น, นก็ไปหยิบเฉยจิตขึ้นมาดูต่อดูต่อเมื่อไรจะวางได้ไปหยิบพัดนี่ขึ้นมาแล้วก็มาคร่ำครวญเมื่อไรจะวางได้ทำยังไงวะจะวางได้เ น, นี่ยมันโง่อยู่อย่างเงี้ยมันโง่อยู่อย่างเงี้ยวิ้วมันยากนะกว่าจะเข้าใจ กว่าจะรู้นะว่าอะไร petitight know what we know what we will do ไม่รู้แจ้งอริยศรรรร асти ความไม่รู้แจ้งอริยศยแหละเรรร blue is what we call aushar เพร า, า, านะเวลาทางที่อลุดพ้นศ์ needs to work ส inducts the80s for thesat stand to me วิชาคือความรู้แจ้งอริยศรรร ements ขอที่1 first to ourselves is that รู้ทุก Después is a heart with wisdom ทุกคือก יס with wisdom หรือกั น, ปปนา pug końων หน้าที่ของเราต้องรู้กายรู้ใจตามความเป็นจ ร, งเร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 พอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสมูทัยจะถูกละอัตโนมัติตันหาจะไม่มีอีกแล้วตันหามันคือความอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์พอไม่ยึดกายยึดใจก็ไม่มีความอยากที่จะให้มันเป็นสุขไม่มีความอยากให้มันพ้นทุกข์นั้นตันหาไม่มีเมื่อตันหาไม่มีตันหาไม่เกิดตันหาดับสนิทไม่มีอีกแล้วนี่โรธคือนิพพานก็ปรากฏเพราะนิพพานคือความสิ้นตันหาขนาดจิตที่รู้แจ้งนิพพานนั่นแหละ รูทูเกจียรติลาสมุตรไทัยแจ้งนิพพานขึ้นมาขนาดนั้นแหละคือการเกิดอริยมรรต์นี่เส้นทางเดินของพระอริยาทางหลายท่านก็เดินอย่างนี้นะไม่เผลอไม่เพ่ยงนะรู้กายรู้ใจไปไม่ไปนหลงติดอยู่ที่ใดที่หนึ่งคอยรู้เรื่อยๆไปวันหนึ่งก็ถึงเกิดความเข้าใจความเป็นจริงของใจของกายก็วางรู้ตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้ว ชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติจบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จและกิจอื่นที่จะทำเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอกและงานในทางศาสนาพุทธเป็นงานที่มีเวลาสิ้นสุดไม่เหมือนงานในโลกไม่มีวันสิ้นสุดน ะ, ะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับ